ต้องวกเข้าสู่กานสานเรื่องสุนทรียภาพอีกสักคนนะครับว่าอารมณ์สุนทรีนี้นะครเกิดขึ้นกับจิตใจเช่นไรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสีย เ, เราจําเป็นทิ้งย้อนไปสู่พระพุทธเจ้านะฮะผู้เป็นต้นต่อหรือเป็นต้นฐานของพระพบวนการทากิริยาอาการที่พระเจ้าท่านเหลียวหลังด้วยท่าที่ว่า นาคาวาโลกนะครับท่าช้างเหลียวหลังเมื่อท่านจะเสด็จไปที่กุสินาราเพื่อปรินิพพานซึ่งเป็นอิริบทที่แปลกประหลาดจนพระนลต้องถามคล้ายๆท่านาอะไรอววรต่อโลกนี้เลี้ยวไปดูนั่นอันหนึ่งก ร, รุธิยีอ้างถึงฤ ด, ดูการนะครับบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้านี้เป็นสาธารณนาศาสต์นะครับซึ่งเป็นฤ ด, ดูอบ อ, อุ่นซึ่งดอกม้จะบานบอกว่า ดอกไม้สองข้างทางระหว่างแคว้นพิหารกับกบิลพัทสุกแดงหนึ่งฐานเพลิงอขอเชิญเสด็จไปชมดอกไม้สองข้างทางกันนี่เป็นอะไรบางสิ่งซึ่งปลุกให้พระเจ้าใส่ใจซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สุนทรีข้อที่สองก็คือตามธรรมดานั้นพระสมาวุิเจ้าตรัสรู้แล้ว เป็นธรรมเนียมของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องเสด็จกลับเมืองแม่เพื่อประกาศกิตติคุณของมารดาให้อยู่ชัว่วกานละปาวสารเป็นธรรมเนียมแต่โบราณนะครับข้อที่สามบิดาชลาแล้วพรงรู้ธรรมะใดโปรดไปช่วยบิดาด้วยแล้วผมจำไม่หมดนะครับข้อสุดท้ายการุทยีอัมหมายก็ทูนว่าคณะทูตแปดคณะล้มเหลวสิน้นคราวนี้การุธยีพระสหายของพระองค์เอง ขอพรในหม่อมชันได้ทูนสำเร็จ ด, ด้วยอ้างเอามิตรภาพเป็นหลักว่ากันว่าพระเจ้าเมื่อฟังจบก็คว้าบาทแล้วก็ออกเดินทางถ้าท่านที่เคยไปที่อินเดียนะครับเขาคิชกูดเนี่ยสูงผมคิดว่ามากกว่าภูเขาทองความลาชันน้อยกว่าเมื่อประชนบรรษาแปดสิบพรรษานะครับซึ่งฉลามากแล้วจวนปริณิพานแล้วนั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่บนยอดคิดชกูด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 ออกมาจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องออกมาจากศรัทธาอันมากมายนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปสัมมนาที่ไต้หวันว่าด้วยพระพุทธรูปเดีนี้ฝรั่งมังค่าก็เริ่มพูดกันขึ้นทางๆเขาไม่ใช่ชาวพุทธพูดกันว่าประติมากรรมพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกคือพระพุทธสินรามันน่าประหลาดนะครับตรงที่ชาวต่างชาติ ผมเองก็ยเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นปฏิมากรหญิงเธอไม่ใช่สาวฟุธแต่ก็ได้รับเสียนพุทธรูปเสียนจริงในนั้นปลองกันไปเรื่อยนะฮะับไปเป็นแบบอย่างและเธอพยายามที่จะปั้นคลอยตามแล้วเธอเล่าว่าได้พบพลังของความสงบอย่างแปลกประหลาดพระพักพุทธรูปนั้นสําคัญมากครับในบทกลมน้องกล่อมลูกของปักใต้มีอันหนึ่งที่พรรณนาความว่า ไปเมืองคอนไปแลพระนอนพระนั่งพระพิงเสาดั้งหลังคามงกระเบื้องอะไรเนี่ยครับครั้งอดีตตอนผมเด็กๆสมัยคุณป้ายังสาวนะฮะมีมีกระบวนการเดินทางไปชมพระคดเข้าวหอ่อเดินทางเนี่ยจากสงขลาหรือรอบอ่าวทะเลศาบสงขลาเดินทางมนครศรีธรรมราชเพื่อไปนั่งชมพระพักของพระพุทธรูเปเพนีนี้ น, นี้ยนีจืจางจางไปแล้วครับไม่มีใครทําแล้ว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 แต่ว่าช่วงหลังนะครับพุทธรูปก็แปลเปลี่ยนไปเราพบว่าตนน้นรัตนโกสินทร์นี่พุทธรูปมีลักษณะเป็นตุกตามากขึ้นผมจะเล่าถึงอารมณ์สุนตรีของท่านอาจารต่อเรื่องปากเขารำนองไม้ด้วยนะครับคราวหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอยากให้ผมเรียนภาษาบาลีเนะพราะเมื่อผมออกบวชนั้นผมปฏิเสธที่จะเรียนหนังสือทุกชนิด พอได้ยินท่านอาจารย์ด่าว่ายิ่งเรียนหางยิ่งยาวอะไรนหางยิ่งยาวก็รู้สึกคล้อยตามว่ามันนา่าขยะแขยงจริงที่จริงคิดตัวเองเนะฮะที่จะไป ม, มีความรู้อะไรเข้าก็เลยไม่ไม่อยากแตะอะไรทั้งนั้นเ อ, อวันหนึ่งท่านเรียกผมไปชวนคุยในเรื่องความงามของป่าเ อ, อท่านแนะผมว่าคุณลองไปเปิดเทระเทลีกรถาดูในนั้นมีถ้อยคําซึ่งพระอรหันต์ข้อคดีเนี่ยภาลนาเรื่องความงดงามไว้อย่างเลื่เลอ ผมไม่สู้สนใจเท่าไหร่นะต่ ก, ก็กเปิดอ่าเสร็จแล้วก็มาเล่าความรู้สึกให้ท่านฟังว่าโอ้ยทำไมมายไพเราะถึงขนาดนี้เพราะผมก็ใส่ใจในชั้นเชิงของกวีนิพนธ์อยู่บ้างนะฮะท่านก็พูดดักคอว่าที่คุณรู้สึกนั่นคุณอ่านภาษาไทยนะถ้าคุณรู้บาลีแลวคุณนั่งไม่ติดเลยนะเพราะงั้นคุณต้องเข้าป่าทันทีผมก็ได้เขาก็เริ่มเรียนบาลีครับอยากจะเสพรสของสุนทรภาพ สิ่งนี้ผมคิดว่ามั น, ม, นมีบทบาทไม่ใช่น้อยครับในการจูงใจตามจริตนิสัยตามสันดานของแต่ละคนนะครับผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับถึงความงดงามของเทร ะ, ระเทรีกถาซึ่งพระเทระและเทรีหรือพระเทระผู้หญิงนะฮะที่เข้าถึงอารมณ์สุนทรีอย่างบริสุทธิ์พารณาความไว้อาจารย์แสงอรุณนรัตตะศิกรครับเคยไคยแกพักหนึ่ง ผู้ที่อยู่ในโลกของศิลปะหรือสุนทรีนั้นจะพบว่าสุนทรีที่บริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พาวนาถึงสภาวะธรรมดั้งเดิมนะครับนี่สำคัญมากครับผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับว่าสักบางตอนสั้นๆครับชื่อเอกวิหารยะเทละคาถานะครับ ถ้าไม่มีผู้อื่นอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราความสบายใจอย่างยิ่งคงจะมีแก่เราผู้อยู่ในป่าผู้เดียวปีฉะนั้นเราผู้เดียวจกไปสู่ป่าอันพู้เจ้าทรงสรรเสริญ ว, ว่าความผาสุกย่อมมีแก่เราผู้อยู่แต่ผู้เดียวมีใจเด็ดเดียวเราผู้เดียวเป็นผู้ชำนาญในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเข้าไปสู่ป่าใหญ่อันทาให้เกิดปิติ แก่พระโยคาวจรหน้ารื่นรมเป็นที่อยู่ของโขรงช้างซับมันเราผู้เดียวจักศาสน า, นาในซอกเขาอันเยืดเย็นในป่ามีดอกไม้บานสรังจักจงกรมให้เป็นที่สาราญใจเมื่อไรหนอะเราจึงจักได้อยู่ป่าใหญ่อันหน้ารื่นรมแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองจักเป็นผู้ทากิจสำเร็จหาอาสวะมิได้ขอความประสงค์ของเราผู้ปรารถนาจะทำอย่างนี้จงสาเร็จเถิด เราจากผูกเกาะคือความเพียรจะเข้าสู่ป่าใหญ่เรายังไม่บรรลุถึงความสิ้นอสวร์แล้วจกไม่ออกจากป่าเมื่อคราวลมเย็นพัดผ่านมากลิ่นดอกไม้ก็หอมฟุง้งเราจะนั่งบนยอดเขาทำลายอาวิชาจะได้รับซึ่งความสุขขึ้นรมอยู่ด้วยวิมุตติสุขในถ้าที่เงื่อมเขาซึ่งดารดาดไปด้วยดอกโกสุมปฐุมานมีภาคพื้นลมเนียสถานเยือกเย็น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 สังคมเมืองพัฒนาขึ้นเราเรียกตัวเราได้เราหลงทางอยู่ในเมืองเมืองก็เกิดกำแพงที่กั้นผู้คนให้ห่างจากป่าด้วนยะนั่นเองวิกิจกรรของเมืองก็ปรากฏขึ้นเมื่อเราสูญเสียสุนทรียภาพบริสุทธิ์ดั้งเดิมของของป่าเขาเราหน่อไม้ ศิลปินต้องสร้างศิลปะขึ้นเพื่อชดเชยดังนั้นเป็นสุนทรภาพอีกแบบหนึง่งไม่ใช่สุนทรภาพที่แนบแน่นอยู่กับความจริงความสะอาดความบริสุทธิ์ครั้นเมื่อผม <c oughs> เริ่มเรียนเล่าเรื่องตัวเองเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะเมื่อ <c oughs> ผมเริ่มเรียนบาลีเมื่อเข้าผมทนไม่ไหวผมไปลาท่านจะเข้าป่า <c oughs> ท่านก็เห็นดีด้วยแต่ท่านบอกว่า ถ้าคุณเกิดความรู้ในป่าในที่สุดคุณก็จะชักจูงคนเข้าป่าแล้วถ้าคุณเกิดความรู้ในเมืองคุณจะช่วยคนในเมืองได้มากสังเกตดูไหมคฮะท่านต้องการให้เราลิ้มลดอะไรบางสิ่งแต่ไม่ให้เราเราตลิดไปในสิ่งที่ประโยชน์น้อยนี่คือสิ่งที่ผมค่อจะมีหุ้นส่วนในการรับรู้นะฮะทีนี่ประการหนึ่งนะครับที่ผมค่จะเล่าให้ท่านฟังในที่นี้ก็คือ คำสอนของท่านอาจารย์สุนโมกนะครับที่มีหลักอยู่บนสี่ประการของธรรมชาติซึ่งท่านทั้งหลายทราบกันดีเรื่องธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ต่อมธรรมชาติและผลได้ตามธรรมชาติที่จริงคำสอนเหล่านี้นะฮะสอดคล้องกันมากกับพัฒนการด้านสุนทยภาพทางตอนตกเมื่อประมาณปลายศตวตรรษที่สิบเจ็ดเอ่อ นักบุญของตนตกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบุญชาวอิตาเลียนอยู่เซนต์ฟลอเนซของอซซซึ่งเป็นเกาะที่งดงามเหมือนกับสูงสวรรค์นักบุญผู้นี้ได้นำเอาปรัชญาของอริสโตเติลที่ว่าด้วยสภาวะธรรมคือปรัชญาของอริสโตเติลนั้นไม่เหมือนของเฟรโตหรือของคนอื่นตรงที่อริสโตเติลจะชี้ว่าเหตุใดเมฆจึงลอยก็เพราะเมฆ เ, เบา งั้นมปการดูตัวสภาวะไม่ได้เจาะลึกกบไปสู่โครงสร้างด้านอะตอมิกสตรัคเจอร์หรืออะไรเหมือนที่วิทยาศาสตร์หรืออะไรมองนะคือมองเท่าที่ตาเห็นเท่าที่มนุษย์สัมผัสได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับบางทีเราสัมผัสล่วงเลยไปสู่ไอ้สูตรซึ่งเป็นสูตรเคมีสูตรไอ้คณิตศาสตร์จนเกินไปก็ได้นะเราเลยไม่ได้สัมผัส ต, ตัวสภาวะซึ่งครั่งพร้อมด้วยสุญถิภพมิ ท่านุน <í>. ผู้นี้ได้นำเอาปรัชญาของอริสโตเติลเข้ามาประยุกต์แล้วก็เริ่มประกาศว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกแห่งหน่านทางความงามสุนทรียภาพในทิวทัศน์ถ้าจะเห็นพระเจ้าจงดูทิวทัศน์รอบๆตัวท่านทุกสิ่งอย่างเป็นปรากฏการของทุานเจ้าจากแนวอิทธิพลคาสอนนี้ทาให้ศิลปินอิตาเลียนคนหนึ่งเป็นผู้นา ที่ชื่อจอรเริ่มวาดรูปมีมิติที่ภาษาทางศิลปะเขาเรียก Perspective ก่อนหน้านั้นวาดแบนๆคล้ายๆตั น, นออกจอตก็เริ่มวาดให้มีความลึกขึ้นมานะสแสดงคำสอนในเรื่องธรรมชาติซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์เป็นการสแสดงออกของพระวรกายขององค์พระผูพเนเจ้าได้มีิธิลอย่างสูงในตนนัวนต สำหรับท่านอาจารย์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกมองจากความใกล้ชิดของธรรมชาติาผมบวตใหม่ๆนั้นนะฮะท่านตั้งคำถามคาถามหนึ่งว่าคุณคิดว่าต้นไม้ในสวนโมกเต้นระบำในฤดูไหนหลังจากผ่านไปหนึ่งปีผมไม่ได้สังเกตเลยครับการสังเกตธรรมชาตินี่ผมถือว่าเป็นกนารสอนสาระมากๆการที่พระเจ้าออกบวชเร่ร่อนไปในที่ต่างๆนั้นมีสาระมากๆนะฮะ ผมจะลองลำดับดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเห็นเทวทูตแล้วโน้มประทัไทยที่จะออกบวชการตัดสินใจจากชีวิตยิ่งเจ้าชายออกมาเป็นวันนิพกนะครับพ่อแม่ทั้งพนานางมาตกฉานะครับหรือพ่อหรือผู้ที่บำรุงบำเรลท่านอยู่แสดงความไม่เข้าใจครับในภาพหินสลักโบราณจะแสดงภาพ เสาสนมกำนันในบิดามันดาร้องไห้เมื่อพระเจ้าเสด็จออกบวชเปลี่ยนชีวิตเยี่ยงเจ้าชายเป็นวันนพิพกแต่ว่ามีประชาชนผู้ยากไร้เข้าใจดีตรงนี้สาคัญมากนะต้องทําความรู้จักกับบทบาทและการตัดสินใจหักเลี้ยวของพรงท่านให้ดีซึ่งต่อมานี่จะมาแนบแน่นที่ใต้ต้นโพในคืนที่จะสัตรู้นะฮะการที่ท่านออกบวชมีวัฒนธรรมรองรับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นเมื่อออกบวชพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยแต่ประชาชนเห็นด้วยที่ต่อมาเมื่อท่านมาบำเพ็ญฌานะครับวัฒธรรมรองรับอยู่คั้นเบื่อหน่ายเห็นว่าการเข้าฌานสมถะอย่างเดียวนั้นไม่อาจบรรลุปเป้าหมายได้ก็ไปทรมานตนครับแต่ก็มีวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่คือประชาชนยังนบไหวยังกล่าวกลานยัง สะดูดีท่านท่านยังไม่ว้าเวไมโดด่โดดเดียวนะะแม้โดดเดียวจากญาติพี่น้องโดดเดียวจากฤาษีที่มีวัฒธรรมเข้าฌานแต่ก็ไม่ได้โดดเดียวในหมู่ธรมานตนเห็นไหมฮะแต่ขัน้นเพื่อนท่านได้นิมิตเรื่องเอาสายพินที่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไปแล้วเนมะื่อท่านกลับใจมาฉันข้าวของนางสุชดาดนะตรงนี้ยุ่งแล้วครับเพราะว่าไม่มีวัฒธรรรองรับเลย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 เพราะที่นั่นมีภูมิภาคอันรื่นรมพูะเจ้าไม่มีที่อิงที่พึ่องอเลยครับนอกจากธรรมชาติที่งดงามที่นั่นมีน้าล้นฝั่งอีกาก้มลงจิกเออดื่มน้าได้นี่คือศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์เิลป์ศมีป์ศิลป์นินนนดดดนนลป์ศิลป์ศลป์ริลป์ศิลป์ศิลล า, าดดด์ศิาป์ศิลปดศิลปิลป์ศิ่ป์ศิล น, น์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลปิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์ศิลป์์ ที่เลี้ยวข้ามลำน้ำําทวนกระแสนึกออกไหมฮะที่ก็สร้างเป็นสั ญ, ญลักษณ์ลอยถาดหลังจากฉันอาหารแล้วลอยถาดถาดก็ทวนกระแสแล้วถาดนั้นก็จมดิ่งลงสู่หน้าก็พิพพ ค, คือบา ด, ดาลสิ่งอนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ครับที่จะบอกเราว่าตลอด6ปีที่พระเจ้าปฏิบัติในแนวทางอื่นนั้นท่านเห็นความผิดพลาดของท่านเองอยู่อย่างไร6ปีที่ผ่านไปนั้นท่านคล้อยตามอารมณ์เข้าไปในอารมณ์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 ผมคว่านี้เป็นสัญลักษณ์ของปรัชญาที่ลุ่มลึกภูมิปัญญาที่ลุ่มลึกลึกซึ้งถึงบาดาลทีเดียวคือการทวนกระแสของอารมณ์ไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาเป็นวิสัยของพระสัมมาวุฒิเจ้าที่จะเห็นิมิตร น, นี้ได้ดังนั้นพญานาคราชก็ลำพึงว่าพระสัมมาวุฒิเจ้าเสด็จมาอีกองหนึ่งแล้วหนอเห็นไหมฮะเป็นนาคกับปรัชญาครับลุ่มลึกแล้วก็นาควิภพจะกลายเป็นแหล่งที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย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 มีซ้ำในรูปหนึ่งเป็นชาวจันทบุรีครับซึ่งเธอเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าแสดงอารมณ์ต่อหน้าผู้ใหญ่ผมสังเกต ด, ดูท่านอาจารย์ท่านย่อแหย่ยให้หัวเราะแล้วท่านผมจะยินนั้นถามว่าคุณร้องเพลงเป็นหรือเปล่าเ น, น้นตนั้นก็ได้ที่ยิ้ยิ้มทหานบอกถ้าคุณร้องเพลงไม่เป็นคุณจะรู้ธรรมะได้อย่างไรซึ่งผมแปลกใจมากเพราะว่าทราบกันดีว่า ในสีหต่างๆงี้ยเรามีเรื่องไอ้ลองำทําทํำเพลงพิดสีไม่ว่าเนรหรือพระหรืออุบาสิกาที่ถือศีแปดนะฮะซึ่งเป็นเด็นที่ผมสะดุดแล้วก็เริ่มคิดว่า ม, มันคืออะไรมันมีความหมายอย่างไรลุ่มลึกอย่างไรครับผมไม่เชื่อว่าท่านจะพูดเล่นเพียงเพื่อให้โจกเล่นนะฮะสิ่งนี้คงเนื่องกับความคลี่คลายและกลมกลืนของอารมณ์แนะท้ที่จริงนั้นบทสดมนั้นคือเพลงครับอาขังสมาสัมพโทเนีฮะ แต่ว่าเนื่องจากเร า, เราฟังเราเรียกว่า บ, บทสวดมนต์นั่นเองที่จริงเป็นเพลงมีท่วงทํานองทีเดียวครับเราถ้าเราไปที่เดียหรือลังกาเราพบว่าบทสวดอันเดียวกันนั้นเปลี่ยนทํานองไปแล้วเรารู้สึกฟังดีครับแปลกๆนั้นเป็นเป็นสิ่งแปลกที่ผมผมได้สัมผัสในช่วงนั้นนะฮะวันหนึ่งนะครับนี่อาจจะเรื่องโชคนิดหน่อยเออ ปกติเมื่อถึงหน้าแรงบริเวณรอบๆสวนโมกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่าต่อเนื่องยาวเหยียดไปสู่เขาเพลาเขาเพลานี่เป็นเขาที่ค่อนข้างลีลับและมีชนบางเผา่าซึ่งพูดสำเนียงกึ่งปากใต้กึ่งกึ่งภาษาคนคนผาล์อะไระกันไปเลยนะฮะก็ถ้าเล่าผมฟังผมก็อยากดูท่านบอกมีชนกลุ่มหนึ่งเรียกขี้ปุย พราะคนเหล่านั้นหลบอยู่ในป่าที่มีแสงลําไหลเนื่องจากป่าทึบมากจนเมื่อมือรูปตัวนี่จะเกิดผุขุยฟุ้งขึ้นมาแล้วไปเรียกคนที่ปุย๋ยเอเมื่อท่านพูดอย่างนี้ผมก็ชักอยากรู้อย่างเห็นเพราะว่าหลายครั้งที่คือท่านอาจารย์มีมีวิธีที่จะตกแต่งปฏิมากรรมของท่านท่านว่าไงเนี่ยทีนี้เขปลามันจะเรียนเลยหนังสือกามเรียนไปแล้วหูหางยาวเ่ย เดี๋ยวก็ยั่ยุด้วยตำราอะไรบางสิ่งให้เราใส่ใจผมก็จะเพื่อให้เราค้นหาสัดส่วนที่ปดิบดีเพื่อจะศึกษาค้นคว้าต่อไปรู้จบเพราะว่าการ3เหมามนที่เราท่านทราบดีเนะเป็นกระบวนการพัฒนาตลอดชีวิตแต่ว่าเราจะมีความรู้เพื่ออะไรนี่ประเด็ น, นเพื่อตัวเองหรือเพื่อเสริมสร้างกิเลสตัณหาหรือเพื่ออำนาจวาสนาหรือว่าเพื่อพระศาสนาในสุด เมื่อถูกแปร้องนิ่นานเข้านะครับผมเองก็ค่อยๆประพิมพ์ประพายเขาว่าค่อยๆสร้างสํานึกหิริโอตะปะในการแสวงหาความรู้ทรัพย์สมบัติเพื่ออะไรเพื่อสังสมบารมีให้ถึงพระโพธิญาณและช่วยเสริมบารมีผู้อื่นหรือไม่นะอันนี้เป็นหิริโอตะปะที่ผมเข้าจามันค่อนข้างละเอียดอ่อนการครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งน่าละอายสําสหรับชาวพุทธนะฮะแต่เดีนี้มกลับกันนะคำบารมีแปลว่าเจ้าพ่อครับ ผู้ยิ่งใหญ่มันมันกรอบตรบัดกันไปเลยผมเคเห็นชาวบ้านนะครับละอายที่จะบอกคนเนี้เป็นเมียของเขาเขาเรียกแม่อีหนูนแม่อีหนูมันคล้ายกระแสะค้านิยมหลักที่ว่าการครอบครองไม่ว่าที่ดินทรัพย์ภรรยาบุตรนะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงนํามาอวดกันแต่ปัจจุบันนิ่มเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในโลกตอนตกอ่า คือพยายามแสดงออกด้วยความสาเร็จในชีวิตคู่กันมากทาั้งๆจริงๆมันคือหายนะก็มีใหมิงเวใคให้เล่าเรื่องสั้นไว้เรื่องหนึ่งนะว่าในรถไฟขบวนหนึ่งมีเพื่อนนักเรียนรุ่มรุ่นกันสองคู่คือทั้งสี่คนนี่เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นกันแต่นั่งมาคนละตู้กระทงเวลาอาหารก็ไปเจอกันก็แสดงออกเพื่อจะตกตากันว่าตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตคู่ ต่างคนต่งยกมือโอบไหล่ภรรยาแล้วก็ใกล้ๆบอกทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก่อนมาที่ตู้นั่งเถียงกันมาตลอดทางทะเลาะกันมาตลอดทางแต่พอเจอกันเป็นนักเรียนนู้นก็คุยกันเบิกบานสมลานใจพอกินอาหารเสร็จกลับไปนั่งทะเลาะกันต่อที่ตู้เดิม <c oughs> บางทีไอ้รูปแบบของการแสดงออกเพื่อความสําเร็จสมบูรณ์นี้มีหายนะอยู่ในนั้นด้วยครับไอ้นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นวัฒถธรรมที่เกิดไม่สอดคล้องความเป็นจริงขึ้นมา มีแะรูปแบบอวดคู่อวดยศศักก์อะไรตัวนี้นครผมอาจจะพูดออกนอกทางก็ได้วันหนึ่งนะครับไฟไหม้ที่สวนโมกคคชาวบ้านก็จุดเผาไร่เวลาเย็นจนกระทั่งมืดค่ำแล้วเนี่ยไฟมันยังลามต่อแล้วลุกขึ้นบนยอดเขาหนังเอครับผมก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าเขาหนังเอกับสวนโมกมันเป็นป่าพื้นเดียนะครับ แล้วจะลาไ ม, ม่าหยุดได้มันเป็นหน้าแรงด้วยผมก็วิ่งเทเลทลาไปหาท่านหมาว่าท่านอาจารครับไฟไหม้เขาหนังเองผมคิดว่าท่านจะตกใจตื่นเต้นรีบมาดูแล้วก็สั่งพระให้ไปดับ mm. <laughs> ปรากฏว่าท่านค่อยๆลุกขึ้นช้าแล้วไขกุญแจตู้หยิบกล้องส่องทางไกลามาข้ออะงย mm. <laughs> แล้วก็เดินไปแล้วก็ส่องดูแล้วท่านหันมาบอกผมเอ๊ะ mm. e <y, S 2> มันก็สวยดีนะตรงนั <laughs> ้น ความรู้สึกมันสวทางกับความรู้สึกของผมอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เราตื่นเต้นท่านบอกว่าสวยดีนะอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่า น, นี่เป็นอาจจะเป็นนิสัยที่เป็นครูของท่านและเป็นครูชั้นสูงพี่ผมว่าเป็นครูชั้นสูงก็คือลงเล่นเกมด้วยครับคือเข้าไปฝึกปรือกันแต่ว่าครูที่นั่งนบนธรรมาะสอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ไม่เล่นด้วยห หลายครั้งที่ท่านเข้าใจว่าผมเป็นคนมีจิตใจเศร้าโศกที่จริงเงินผมกลัวท่านผมไม่กลา้ายิ้มไม่กลา้าหันหรอะท่านคงเข้าใจว่าผมมีจิตใจที่ผิดปกติเศร้าโศกพยายามจะเล่าเรื่องตะเถนใหญ่ชีผมฟังเพื่อจะให้ผมร้องแล้วผมกัดลิ้นอยู่ไม่กลา้ากันหรอกท่านวัดถวคุณไม่เข้าใจเหรอเรื่องที่ผมเล่าคุณไม่เข้าใจมุกของมันเลยเออท่านพยายามที่แก้ปัญหาอารมณ์ วิกฤตในตัวเราเพราะว่าตัวเราทุกคนเป็นผลของวิบากกรรมนะครับเราเคยทากรรมมาทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีในสุดมันก็สําเร็จมาเป็นบุคลิกภาพและแนวโน้มเองในเรื่องธรรมานี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับจิตใจที่ปกติสามัญเท่าไหร่รู้ธรรมะเอาไว้และง่ายดายเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เรามากักจะเป็นอารมณ์นะครเรารักรุนแรงในบางอารมณ์เราเกลียดแรงในบางอารมณ์แล้วเราจะไม่เข้าใจว่าสิ่งอันนี้มันมัน สัมพันธ์อย่างไรกับการพัฒนาอุเบกขาหรื อ, อะไรนะครับเมื่อสมัยพมบวชไปไหม่ผมเล่าเรื่องบวชเหมือนกาาลัทธภาพบ่าวอย่างนี้นครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆนั้นชีวิตของนักบวชนี่ยนับว่าประเสริฐแท้ครับเป็นชีวิตที่เบียดเบียนน้อยและเต็มปิ่มไปด้วยสุนทรียภาพชีวิตเราอย่างเราเป็นโยมนะฮะเรียกว่าเป็นค้าราชการเนี่ยเป็นชีวิตที่เราต้องฟันฝ่าต่อสู้